ชีวประวัติพระครูสันตยาธิมนต์หลวงปู่บัวไขสันตจิตโตทายาทธรรมองค์สำคัญของหลวงปู่ศิษย์พุทธาจาโรวัดสันติสังฆารามบ้านบัวตำบลสว่างอำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร หลวงปู่บัวไขสันตจิตโตญาติธรรมองค์สําคัญของหลวงปู่ศิล์ปพุทธาจารูนามเดิมท่านชื่อบัวไขนำสกุลทุมกิจจเกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมพุทธศักราช 2475 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 2 ค่ําเดือน 6 ปีวอกณบ้านบัวตําบลสว่างอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร บิดาท่านชื่อนายเคนธงกิจจามารดาท่านชื่อนางขานภูมิกิจจาการบรรพชา หลวงปู่บัวไขสันตจิตโตท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 18 ปีวันที่ 9 กรกฎาคมพุทธศักราช 2493ณวัดเชตวันตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีพระครูธรรมมาภิวัฒน์วัดเชตวันเป็นพระอุปัชฌาย์ภายหลังจากบรรพชาแล้วท่านได้อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่ศิษย์พุทธาจารโร ซึ่งหลวงปู่หัวไขนี้ท่านมีศักดิ์เป็นหลานขององค์หลวงปู่ศิษย์พุทธาจาโรการอุปสมบท อายุ 20 ปีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนพุทธศักราช 2495 ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาณวัดเชตวันตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีพระครูธรรมาภิวัฒน์วัดเชตวันเป็นพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ขนานนามฉายาให้ว่าสันตจิตโต แปลว่าผู้มีจิตอันสงบภายหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วหลวงปู่บัวไขสันตจิตโตท่านได้ติดตามอุปถากรับใช้ศึกษาธรรมะศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับหลวงปู่ศิล์มพุทธาจารโรจาริกท่องไปในที่ต่างๆตามเทือกเขาภูคานป่าเขาลําเนาไพรไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือจังหวัดลําปางเชียงใหม่เชียงราย นานลำพูนทางภาคอีสานจังหวัดสกลนครนครพนมอุดรธานีหนองคายเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์เป็นอาทิในช่วงปัจฉิมวัยของหลวงปู่บัวไขสันตจิตโต ท่านได้มาพำนักจำพรรษาเผยแผ่กระเสธรรมอยู่ที่วัดสันติสังฆารามบ้านบัวตำบลสว่างอำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนครรักษาข้อวัดปฏิบัติเดินตามรอยธรรมที่หลวงปู่ศิษย์พุทธาจาโรท่านพานําดําเนินมาอบรมศีลธรรมแก่พระภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมจากที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ หลวงปู่บัวไขสันตจิตโตท่านถือเป็นกำลังหลักสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง อาการมรณภาพหลวงปู่บัวไขสันตะจิตโตท่านถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบณโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคมพุทธศักราช 2554 เวลา 21:00 น. สิริรวมอายุได้ 79 ปี 1 เดือน 22 วัน 59 พรรษานับมาพุทธศาสนิกชนได้สูญเสียพระมหาเถระองค์สําคัญไปอีกรูปหนึ่งการมรณภาพจากไปของหลวงปู่บัวไขนั้นเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาความเข้าไปสงบระงับสังขารด้วยธรรมเป็นสุขอย่างยิ่ง ผู้บัวไขสันตจิตโตพระอริยะเจ้าผู้มีจิตอันสงบผู้เป็นพุทธสาวกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครอบด้วยศีลและธรรมมีศีลาจารีวัตรอันงดงามแม้องค์ท่านจะมรณภาพจากไปแล้วแต่คุณงามความดีที่องค์หลวงปู่ท่านสร้างเอาไว้นั้น ยังคงจดจารึกไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ดําเนินรอยตามและยังคงปรากฏอยู่ในโลกนี้ตราบเท่านิรันดร์ตะวันคําสุจริตบรรยายเรียบเปรียงชีวประวัติหลวงปู่บัวไขสันตจิตโตจัดทําขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชา อำนวยการผลิตโดยพระอาจารย์ชวรวัฒน์กรรมสุทโธวัดท่าวังหินอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านสามารถติดตามชีวประวัติปฏิปทาคติธรรมคำสอนของพระบูรพาจารย์พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ที่ www.บูรพาจารย์.com